แต่ละวันเราก็จะนำเอาสิ่งที่เราจะปฏิบัติในวันนี้มาเป็นตั้งต้นเป็นบทเรียนประจำวันช่วงเย็นก็เป็นการสอบอารมณ์สำหรับเมื่อวานเราได้พูดถึงว่าพยายามปรับเฮียบทย่อยทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่จะเก็บได้เนี่ยให้เป็น อุปกรณ์ให้เราได้ <c oughs> ตามรู้ได้ชัดขึ้นชัดขึ้นทีขึ้นเรื่อยๆโดยที่ทําแบบสบายๆโดยไม่ตั้งจดจ้องจนก่อให้เกิดการตึงเครียดทางร่างกายได้จี้ใจนะดบบสบูสบายๆลักษณะที่ประคองนะถ้าปล่อยก็ทําให้เราเพลินถ้าตั้งใจก็ทําให้เราเผลอได้ง่าย เพราะฉะนั้นทังจังใจเกินไปมันก็อยูการเผลอถ้าปล่อยทั้งอโอกาสเพลินเราก็ประคองเลยทำให้ทั้งเผลอทั้งเพลินมันก็มารวมกันเป็นตัวรู้ได้เรื่อยๆรู้แบบสบายๆที่เราทำไปเมื่อวานก็ริ่มได้อารมณ์นะสำหรับวันนี้ในส่วนที่เราเน่ยน่าต้องสังเกตต่อไปก็คือความไม่สบายในทุกเวทานากายเนี่ย มันทำไมไมันเกิดซ้ำซากแล้วนิวรณ์ต่างๆนะตัวไหนที่เนื่องด้วยรูปอย่างเดียวตัวไหนที่เนื่องด้วยทั้งานามด้วยตัวไหนที่เป็นเรื่องนามเพียงอย่างเดียวตัวไหนเกี่ยวข้องด้วยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเราจะต้องสํารวจเข้าไปจุดนี้ว่าในเวทนาทั้งหลายเนี่ยทุกเวทนาที่มันมีอยู่ทางกายเมี่ยออกมาในรูปของนิวรณ์ก่อนในช่วงแรกที่สุดเวทนาทางกายไม่ว่าสุขว่าทุก ออกมาในรูปของนิวรณทั้งห้านะความรู้สึกสบายเกินไปก็จะออกมาในรูปของกายมาชันทะนะความรู้สึกที่ไม่สบายทางกายเกินไปนี่จะออกมาในรูปของปฏิฆะหรือพยาปาทนะนิผลทั้งสองตัวเนี่ยก็คือความพอใจไม่พอใจน่ถ้าว่าไปสองตัวเป็นตัวหลักกายมาชันทะก็นหนึ่งมาจากอภิชา พยาาทะก็นำมาจากโทมนัสหถ้าเราเข้าใจหลักได้ว่าดูสองอย่างทางกายก็ไี่อย่างสองตัวเนี่ยสบายก็ไม่สบายเราก็มาสำรวจต้นเหตุว่าที่เรานั่งทำยืนทาเดินทำเนี่ยความสบายไม่สบายทางกายปรากฏเราได้เห็นสำรวจสองตัวนี้ก่อนให้ชัดนะความสบายเราเพลินไปไหมคอยสำรวจ สมมติเรานั่งพิงเนี่ยสบายเกินไปเราก็จะแช่ตรงนั้นนะใช่ไหมเราขยับขึ้นมาปรับอย่างเงี้ <c oughs> ยหรือบางทีนั่งในท่า น, นี้นั่งไปนานอตอนแรกมันก็สบายแต่เนื่องจากว่าเราไม่อยากจะปรับเปลี่ยนบ่อยเกินไปเราก็แช่ไว้ตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าอาการทางแข้งทางขามันก็เริ่มตึงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นพอเราขี้เกียจปรับ นิวรณ์ก็จะเข้ามาละไม่ตัวเพลินก็ตัวเผลอถ้าตัวเพลินเราก็จะทําให้หลับง่วหลับตาแล้วค่อย <c oughs> สติสมญาค่อยบางลงไปบางลงไปก็จะไปสู่ตัวถีนามิทะความเพลิน <c oughs> ที่เราไม่แก้ไขมันจะออกผลมาเป็นถีนะมิทะคือความห่วงเองาความเศร้าซึม สลืมสลือไปนี่นั้นตัวเพลินที่เกิดจากตัวแรกที่เราเพลินในยีบทเวลานั่งนานเดินนานยืนนานแช่โดยที่ไม่สังเกตด้วยปรับเสมอเนี่ยจะออกมาผลมันเป็นการเพลินเพลินจะทําให้เราเสเพพอเสพเราก็จะหลับตารับมันเราก็จะอยู่ในอาการหลับลก็จะอาการเพลิ น, นไปเรื่อยๆจะออก เพราะนั้นตัวเพลินตัวนั้นถ้ามันไม่ไปสู่ตัวทีนามิทะก็ออกมาเป็นตัวตัวฟุง้งนะมีสองลักษณะแต่ส่วนใหญมันจะรู้พระที่ทีนามิทะคือความง่วงเหงาเซ่อซึมก่อนพอเราไม่รับไม่ปรับแก้ตรงนั้นปั๊บมันก็จะตัวหนักที่เราเพลินเรานี่ก็จะออกมาเป็นการเผลอเผลอเกิดจากการที่เราอภิ อ, อโธมนัทคือความรู้สึก ่ความไม่สบายทางกายก่อนมันจะอากมาความรู้สึกไม่สบายทางกายก่อนความไม่สบายทางกายพอแช่ไปนานนานเกิดบีบคั้นดังอารมณ์โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเกิดปฏิฆะคุนๆข้างในตัวผลหอก็จะตามมาละเพราะนั้นตัวตั ว, ตวปฏิฆะหรือตัวพยาบาทผลออกมาจะเป็นตัวฟุง้งตัวอุทธจัจจะตัวอุทธัจจะ เพราะนั้นตัวการมาฉันทะกดีพยาปาทกดีมีตัวร่วมที่ออกมาทั้งที่เป็นรูปธรรมคือตัวห่วงง่วงเหงาเศร้าซึมมันมีอาการทางกายทางจิตนะจะออกมาตรงนั้นอาการทางกายทางจิตออกมาแล้วก็ในส่วนที่เป็นความไม่สบายกายที่เราไม่ปรับให้พอดีมันจะออกมาในรู ป, ป, รปรของปฏิฆะหรือพยาปาทะคือคุณ งูดงิดไม่สบายเศร้าหมองแต่ออกมาเป็นรูปของฟงุงซ้านหรืออุทจจะนะเพราะนั้นสองตัวเนี่ยจะมีผลเนื่องมาจากรูปกับนามทางานไม่พอดีผลออกมาจะระหว่างรูปกับรูปในส่วนที่เราเพลินมันออกมาเป็นมาจากกรมวิชนทะรูปในส่วนที่เราเพลินในไม่เพลินในความสบายกายออกมาเป็นกรมวัชนทะ ในส่วนของความไม่สบายกายคือความไม่สบายกายก็ให้เกิดพยาบาทะคือความขุนข้าในมันจะออกมาเป็นฟุ้งซ่านเป็นเผลอเนี่ยต้องไปดูให้ดีตรงเนี้ยเราเราอยู่กับตัวสบายไม่สบายโดยที่ไม่ชัดเนี่ยมันจะออกมาเป็นสองตัวเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือเป็นชุดแรกของนักปฏิบัติถ้าเราไม่ตระหนักรู้ถึงทั้งเพลินทั้งเผลอว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแก้ความง่วงกับความฟุ้งได้เลย เพราตุนต่อมาจากตัวเพลตัวเพลินมาจากการมชชาตัวเพลอมาจากพยาบาทถ้าเราตระหนักรู้แก้ไขที่กายก่อนเนี่ยไอ้สองตัวนี้มันก็จะไม่เป็นไปเป็นตัวอภิชาเลโทมนัดมันจะอาการของมันเชื่อมกันตรงนั้นนะเนื่องจากตัวไม่ชัดตามรู้ไม่ชัดระหว่างโดยสบายไม่สบายทางกายซึ่งมีอยู่ตลเวลาทีเดียวไปสองตัวเนี่ย นั้นเวลาเราปรับแต่ละท่าแต่ละเปลี่ยนแต่ละท่านในการปรับมันก็จะแก้เพลินแก้เผลอได้เพราะนั้นตัวตั้งใจปรับที่เดียวบทมันจะไปแก้ทั้งเพลินทั้งเผลอได้แต่ถ้าเราแช่ในเพลินแช่ในตัวเผลอหรือแช่ในตัวสบายแช่ในตัวไม่สบายเมื่อไหร่ไอตัวสองตัวนี้ก็จะมาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอกย้ําซ้ําไปสมมาธินี้ชัดปรับ ดูปรับดูอันนี้ตัวมันทีนี้ทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อตัวงัวงเงากรดีวตัวฟุง้งซ่านไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะออกมาเป็นเวทนาทั้งทางกายแลอทางจิตตัวที่ห้าลืมมาเลยสงสัยเอ๊ะทำไมทาไมทาไมทาไมตัวนี้วิจิกิฉามาแล้วเพราะนั้น วิจิกิจฉาที่เรียงไว้สุดท้ายเพราะมันเป็นผลพวงของการจัดสี่ตัวนั้นนะไม่ดีไม่ถูกมันจะมาเป็นตัวสุดท้ายคือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่เป็นอาการทางนามโดยเฉพาะเลยออกมาเป็นนามมารูปแต่สี่ตัวข้างต้นน่ยมันเกี่ยวข้องด้วยรูปนามที่เกี่ยวพันกันไปเกี่ยวพันกันมานนถ้าหากว่าเราค่อยจะเข้าใจถ้าหากว่าจัดการไอ้นวอนชุดแรกนี้ได้เนี่ย มันก็จะเกิดสมาธิและปิติแล้วรูปนามก็จะมากันแก้ไขเรื่องนิวรณ์ได้ชัดเจนเนี่ยอารมณ์รูปนามปรากฏละถ้าแก้ไขนิวรณ์ห้าไม่ชัดเจนสมาธิไม่ปรากฏปิติไม่ปรากฏรูปนามเกิดไม่ได้อารูปนามปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้แบบซ้ำซามากเลยอะ่ะที่เราใช้การเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยเพื่อจะได้เห็นตัวเพลินกระดูกเพลินนี้ชัดเท่านั้นเอง พราะถ้าเราไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันเห็นสองตัวนี้ไม่ชัดแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเห็นการเพลินการเผือได้ชัดเราแก้ไขได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่เห็นไม่ชัดแล้วเราแช่แช่ทั้งเพลอและแช่ทั้งเผือแช่ในความสบายและแช่ในความไม่สบายอภิชาและโถมนัตก็จะต้องมาเป็นผลพวงต่างมาที่ออกในรูปของความมัวเฮาหนอนและความฟุงม้งซ่านนะ ดังนั้นเองถ้าหากว่าเราจะตรวจสอบเรื่องอารมณ์รูปนามว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่อารมณ์ที่โดยสัญญาเนี่ใครก็รู้ได้มันเป็นเห็นเป็นรูปรูป้เป็นนามได้ยินเป็นรูปรูป้เป็นเรื่องของปริยัตเป็นเรื่องของสัญญาแต่พอในภาคปรมัสติเนี่ยเราจะต้องมาตอกย้ำสังเกตศึกษาตรงนี้ให้ชัดเจนที่สุดนะเพราะฉะนั้นในบาลีท่านตอกย้ำแล้วอีกเรื่ประชานาติ กับสัมปชัญญกาลีเนี่ยเอามาแก้อยู่ดีให้ได้ว่าประชานติคืออย่างไรสัมปชัญญะกาลีคืออย่างไรรู้ให้ชัดเอเอตรงนี้มันสบายรู้ให้ชัดเพียงแต่ขยับนิดหน่อยมันก็แก้ไขได้แต่เนื่องจากพราะว่าเราอยู่กับเพลินกระเพิรมาจนเคยสองตัวนี้นก็เปลี่ยนเป็นโกสัจฉะคือความขี้เกียจที่เกียจที่จะแก้เพราะมันเป็นนิสัยที่ติดมาตแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะความขี้เกียจมันสบายเสพมันสบาย คนได้ติดความขี้เกียจนะอันนี้คือสาเหตุเบื้องต้นที่สุดที่ว่าการมาสัญธาก็มาจากตัวสบายกายพยาปาทะรปฏิฆะมาจากความไม่สบายกายแล้วไปเป็นตัวนั้นความสบายกายและไม่สบายกายเมื่อได้รับการปรับแก้เราไปเสพมันถึงออกมาเป็นรูปแบบนั้น ทีนี้ในลักษณะความสบายกายไม่สบายกายมันไม่ได้มีเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติแม้แต่เราทำกิจกรรมทุกอย่างมันก็จะมีสองความรู้สึกเนี่ยเป็นหลักรัสติสมิยะที่เราฝึกถ้าหากว่ามันจะได้ใช้เฉพาะได้เฉพาะที่เรามันนั่งปฏิบัติประโยชน์มันน้อยมากพอลุกจากนี้เราไปมันก็มีหนักมีเบาให้เห็นแ่ะเวลาเราเดินจับนูน่นจับนี่หายใจเข้าหายใจออกมีหนักมีเบาประกุตลอด เราได้เห็นเราได้ตามรู้มันไหมเนี่ยวิธีการหลวงพ่เถียนท่านเน้นตรงเนี้ยเน้นตรงที่ว่านําไปใช้ไม่ได้เน้นตรงว่ามานั่งปฏิบัติอย่างเดียวการนําไปใช้นี่สําคัญกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีเยอะมากแล้วก็ในบทเล็กน้อยเต็มไปหมดไปทานอาหารทานข้าวซักผ้าเข้าห้องน้ําอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวหุวม่มผ้าเช็ดบ้านทูเรือนกวาดพื้นเก็บของมันมีตลอดนั้นผู้ที่ไม่เห็น ไม่เข้าใจอารมณ์รูปนามจะตามไปขนาดนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะได้อยู่ความเพลอนมาตลอดชีวิตนั้นท่านจะว่าเบื้องต้นอย่างยังไงให้สัมผัสอารมณ์รูปนามให้ได้เพื่ อ, อะเพื่อที่จะนําความรู้เนื้อรู้ตัวที่เราสัมผัสได้ในเวลาเรามานั่งปฏิบัติเอาไปใช้ตรงนั้นเอาไปใช้ตรงที่เราใช้ดิบทเล็กน้อยทั้งหลายซึ่งมีเยอะมากตลอดเวลาก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าเข้าสู่ตัว สภาวะรูปนามที่เป็นจริงนยะมันภาวะรูปนามที่ไม่จริงก็คือมันโดยสัญญาอยู่คือยังไม่เต็มรอบของมันรอบของมันไม่พอที่จะเป็นปรมัดได้รอบของมันต่ำคำว่ารอบของมันต่ำหมายความว่ามันรู้น้อยแต่ว่าเผลอมากว่ารอบมันต่าแต่รอบมันสูงหมายความว่ารู้กับเผลอรู้กับเพลินเข้ามาในอัตตาส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ว่ามันจะต้องมีสองตัวเนี่ยปรับซึ่งกันและกันเพราะตัวรู้หมายถึงตัวนามตัวเพลอตัวเพลินหมายถึงตัวรูปแต่มาเป็นนามมารูปนะเพราะนั้นตัวนามมารูปเป็นตัวเกิดและตัวนามเป็นตัวดับตัวรู้เป็นตัวดับตัวเพลอตัวเพลินเป็นตัวเกิดก็มันเนื่องมาจากการเกิดดับมาต้นตอของมันเราเราอย่าลืมต้นตอลืมที่ไปที่มาของมัน เพราะนื้อในวิธีการของพ่อเทียนที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากซึ่งทางทางวิธีอื่นไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดในแง่ของการที่ได้ศึกษาได้ทํามาตรงเนี้ได้ชัดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลังเลเลยในการที่จะต้องต้องจับในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราเช็คเบื้องต้นที่สุดว่าตัวสบายกายไม่สบายกายเนี้เป็นคอมมอนเป็นเบสิกที่สุดที่ทุกคนมีแต่เราให้ความสําคัญกับมันน้อยมากเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับมันจนชินมาตลอดชีวิต ไม่มีความสำคัญอะไรก็ปล่อ ย, อยมันไปแต่ในแง่ของนักนักภาวนาหรือนักวิปัสนาแล้วจะต้องถือเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะมันเป็นต้นตอที่ครอบงำสัตว์ทั้งหลายนะ น, นั้นเองลองลองจับไปไปวิจัยเรื่องให้ดีเรื่องของนิวรห5านี่มันมาจากอะไรทำไมจึงมีบทบาทสำคัญนักหนา ในธรรมานุปัสสนาเวลาสวดขึ้นมาปัาฉันตังว่าปัันตวากรรมชันน่นโทติปัญชานาติว่าไปตรงนั้นอันดับแรกเลยในหมดธรรมานุปัสสนาท่านจึงเอาขึ้นมาเป็นหมวดแรกของของการใช้นั้นเ ร, เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจให้ชัดเวลาเปลี่ยนอิเยาบทว่าความหนักเปลี่ยนเป็นความเบาได้อย่างไรเราก็เลยมาเน้นในส่วนที่เข้าใจง่ายๆว่าหนัก เป็นยังไงเบาเป็นยังไงสบายความหนักความเบามันก็ให้ความหนักก็ให้เกิดความไม่สบายความเบาก็ให้เกิดความสบายและความเบาและความหนักสบายไม่สบายก็เป็นเหตุให้เกิดความเผลอและความเพลินในความเผลอและความเพลินที่เราไม่มีสติสัมยาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ให้เกิดตัวนิวรณตัวต่อไปคือตัวทีนามิธะและดูทัศน์จั และเมื่อต้นต่อของมันคือความสบายไม่สบายไม่ได้ถูกแก้ไขก็นำไปสู่ตัวหลังเลสงสัยวิติกิชาซึ่งมาเป็นหน้าที่อันหนึ่งองค์ประกอบอันหนึ่งของของตัวสังโยคละทะนนี่นี้เพราะนั้นการที่เราไปไม่ไปจัดการเรื่องเรื่องของเวทนาทางกายก่อน ให้ชัดเจนเนี่ยเพราะเราไปเสพความสบายและไม่สบายทางกายที่เปความเพลอความเพลน ม, มันจะออกมาเป็นสังโยกตัวแรกเลยสกยาทิฏฐิสำคัญว่าความสบายไม่สบายเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเป็นตนแต่ไอ้สองตัวนี้เองมันจะไปก่อให้เปิดสกยาคือเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นตอของสังโยกเลยทีเดียวเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจัดการตรงนี้ได้เนี่ย เปลี่ยนที่จะจัดการเรื่องเผือเรื่องเพื้นให้ชัดเจนมันเป็นการทําลายสักยะทิถิไปในตัวและจะเปลี่ยนเป็นสมาธิถิทันทีถ้าจัดการตรงนี้ไม่ใส่ใจตรงนี้ชัดเจนไม่แยบคายตรงนี้ปั๊บปฏิบัติไปร้อยทั้ง100ร้อยลูกนามไม่ผ่านเมืม่อไม่ผ่านรูปนามตามความเป็นจริงแล้ววิปัสสนากิดเป็นเรื่องหลมหลุมเล้งๆที่เราคิดเอาเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องตามความเป็นจริงในเรื่องนี้สําคัญมากนะ อันนั่นเองไปฟังมาร้อยสานักพันสนักไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้ข้ามมองข้ามเรื่องนี้หมดแต่ในวิธีการอนุทิเห็นไม่ใช่ท่านจะลงรายละเอียดอืลงรายละเอียดเพื่อเห็นชัดว่าไอ้สิ่งความเป็นง่ายๆนี่แหละมันครอบงามันมันที่เราไปยึดไปเหอกับมันส่วนใหญ่เราไปข้ามหมดใหญ่ไปพูดถึงเรื่องอืมรแปดเรื่องปรามัดเรื่องปฏิสุบัดเรื่องโพชฌงอะไรไปมากมายแต่อท้นตรงเนี้ย เราเนี่จาะไม่ถึงนะไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องปริยัติเรื่องสัญญามันไม่ใช่เรื่องปรามัดเป็นไปใชเรื่องสภาวะลองศึกษาให้ดีเวลาเราโยกแต่ละครั้งมันมีส่วนหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเวลานั่งไปสภาพักเราจะสัมผัสได้ถึงความเพลินความเผลอใช่ไหมแต่เราก็ไม่ถนัดเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับมันจนชินนะเพราะฉะนั้นในในสภาวะนี้ถ้าเรา ถอนตัวนี้ไม่ได้สกยะทิฏฐิมันก็ถอนไม่ได้เมื่อถอนสกยะทิฏฐิไม่ได้วิจิกิชามันก็สงสัยแล้วใช่หรือไม่ใช่มาเลยแล้ววิจัยอ่ะก็นึ่งมาจากตัวนิวรณ์ทั้คนจริงแล้วตัวที่เราไม่รู้เท่าทันไม่เข้าใจตัวสบายไม่สบายมันไปก่อตัวสกยะทิฏฐิเมื่อสกยะทิฏฐิต่อนิวรณ์ทั้งห้าสี่ตัวไม่รับการแก้ไขมันก่อให้เกิดสังโยคตัวที่สองคือวิจิกิชาสงสัย มันสงสัยลามไปหมดแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าพระพุทธนธปัจจุบัเป็นอย่างนี้อย่างที่เราว่าหรือเปล่ามันจะสงสัยชาตนี้เป็นยังไงชาติมาไปงมันเรื่อยๆทีนี้ยจากสงสัยตัวนี้ที่เราแก้สองตัวนั้นไม่ตรงนะมันได้เกิดข้อสงสัยนะทีนี้เมื่อเราแก้สงสัยตรงนั้นไม่ได้มันก็ลามต่อไปเป็นศีละพาตปรมาศสศีละพาปตปรมาส ไปสำคัญเอาสิ่งที่มันในฝ่ายที่เพลินและเผลอเนี่ยเป็นสินพจน์เป็นไปเสพเอาสิ่งนั้ น, นการเสพในเพลินในเผลอเนี่ยก็ให้เกิดว่ามันดีนะมันดีมันสบายก็ทำให้เราไปยึดโรนั้นเป็นความดีเข้ามาแล้วก็บัญญัติความดีขึ้นมาศินต้องเป็นอย่างนี้สมาธิต้องเป็นอย่างนี้ปัญญาต้องเป็นอย่างนี้ ยืนหยัดยืนหยันแล้วก็ถือมั่นในตัวนั้นซีลพลด้วยความเคร่งคัดเพื่อจะให้เกิดเพื่อจะให้เกิดสสิ่งที่ดีนะโดยปารบความเพียรด้วยไม่คํานึงถึงเรื่อว่าสมาวายะยามะเป็นอย่างไรแล้วความเพียรนั้นเป็นตัว เ, เรียกว่าสร้างตัวพลังอํานาจมูลครั้งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่เราจะไปถือเป็นหลักของจิตแต่เราไม่ได้กระจายอํานาจอองมันออกมา กระจายอำนาจของตัวสงบที่แท้จริงเป็นอย่างไรสงบจากนิวรหรือสงบจากอารมณ์ที่มากระทบหรือสงบจากการที่จิตไม่ต้องให้จิตมันคิดให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละน่ะนิ่งอยู่นั้นเราบองครับให้มันบอกสงบให้เลยริดได้ชาได้เจตระนธนตัวนี้สีละพระจับประมาทมันจากตัวนั้นเมื่อจิตมันก่อสงบลึกขึ้นลึกขึ้นก็ให้เกิดเป็นความประนีตของสมาธิ นำไปสู่อ ป, ปนาอ ป, ปนาตัวนี้ก็จะนําไปสู่ฌานชั้นต่างๆแล้วก็ไปสําคัญตัวนั้นเป็นลิธเดชปฏิหารครั้งศักดิ์สิสทธิ์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นนิมิตสีแสงกายเป็นอะไรต่างๆมันเป็นได้เนี่ยเขาเรียกเป็นมายาของจิตมันเป็นได้อย่างที่คุณพันเห็นแวบวันก่อนก็นสงสัยเปเรื่องเยอะใช่ไหมถ้าไม่มาเคลียร์กันดีๆก็เรียกว่ า, วาผีหลอกเราบางที มันเป็นได้บางคียวบนานั่งสร้างจังหวะดีเห็นหลวงพ่อเทียนเดินมาเฉยเลยเอาเราลุกไปอย่ไปกลาวอาหายวับไปเลยเห็นกันจระใเลยอะ่ะเพราะฉนั้นมายาจิตไม่ใช่มันจะไปเกิดตอนที่เราหลับเราลืมเราลืมกลามันก็เป็นได้นี่มิตด้มันแรงขนาดไหนนี่ทําให้คนเห็นว่าเกิดหูทิพตาทิพแต่เป็นเรื่องภายนอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันหูทิพตาทิพแบบหลวงพ่อเทียน หูทิพย์ตาทิพย์มโนพุทธิ์เได้เห็นใจตัวเองได้ยินใจตัวเองพูดได้เห็นใจตัวเองคิดนั่นแหละหูทิพย์ตาทิพย์ที่มันเป็นวิปัสนาแต่หูทิพย์ตาทิพย์แบบสมถ า, าก็คือทําให้คนหลงอ่าสมัยก่อนที่จะมาติดวิปัสนาก็เพราะไปติดแบบนี้แหละนั่งปฏิบัติอยู่ดีเอา้าหลว ง, งพ่อพุทธธรรมมานั่งเทศข้างหน้าเอา้าหลวงพ่อเทียนมานั่งเทศข้หน้าให้ฟังเอาตั้งใจพอฉถืองตาใส่อาหายแว บ, บไปเลยนะ มันเกิดแปบเดียวตอนที่เราเผอนิดเดียวนี่นม่นมีตเ่นี้จะเกิดขึ้นมาพระวิปัสนาหรือพระกรรมฐานที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ามาโปรโมทโฆษณาว่าได้ไป ส, นท น, ป น, ไไปสนทนากับพระราหันได้ไปสนดนากับพระพุทธเจ้าได้ไปสนทนากับครูบาอาจารย์โอ้นั่นนนี้มันเป็นเรื่องของมายาการดึงนั้นนะแต่ว่ามันเป็นอุปทานที่ลึกมากศีและพระตรัสรมาสามยังเกิดขึ้นจากจุดนี้เพราะความไม่ชัดในการศึกษาเรื่องของตัวนิวรณ์นตนเอง นะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรแต่เนื่องจากว่ามันเป็นที่โปรโมทโฆษณาจนเป็นที่ยอมรับคนก็หลงกันอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นแค่สัญญุสามตัวมันไม่ผ่านนะแล้วเปิดประตูอริมักไม่ได้ถ้าสามโยกสัญญุสามตั ว, วมไม่ผ่านเพราะฉะนั้นบางทียังไม่ได้เกี่ยวข้องกับดุลราคาโทรศัมห้นะพระโสดาบันยังมีเต็มคาบเลยนาะยราคาโทรศัมห้แต่ว่าขอให้จัดการเข้าใจสภาวะทั้งสามเนี่ยได้โอกาสที่จะทําไอ ราคาโทรสา ม, มหะมันลดลงมาทําได้แต่ถ้าไม่แช้งสามตัวเนี่ยต่อให้ไปกดไปข่มไป <c oughs> ทรมานขนาดไหนก็ไม่มีทางเพราะตุลตอมมันอยู่ทุกที่ตรงนี้อ่าวิชิกีชาสกฤติทิฏฐิวิจิตรศีลตัดปลามาถ้าเราไม่แช้งไอ้สามตัวมาจากไหนมันก็จะมาจากนิวรนาแล้วนิวรนามาจากไหนก็มาจากจัดการเรื่องความสบายกายสุขเวทนาทุกเวทนาทางกายเนี่ยไม่ชัดมันจะไปเกาะให้เกิดตัว กิเลสอีกสามตัวความพอใจไม่พอใจและความไม่สนใจพนุไปข่าเวทนานแปลว่าไม่สนใจมากกว่าไม่ได้แปลว่ารู้สึกเฉยเฉพอใจไม่พอใจและไม่สนใจถ้าความพอใจมันก็เปลี่ยนมาเป็นราคะไม่พอใจมันเป็นโทสะเอาไปข่าเวทนาก็เปลี่ยนมือเป็นโมหะและโมหะตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นทิฏฐิก็คือสักยะทิฏฐิ มันลามไปตรงนั้นน่ะนะดังนั้นในในการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องรู้ต้นตอมันเริ่มไปจากไหนแล้วก็พิสูจน์ไม่ใช่เชื่ออย่างที่เราไปคิดว่ามันจะเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเรานั่งเพลินน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปจับเรื่องเผลอเรื่องเพลินให้ชัดบทลีนวันนี้นะเมื่อวานไปจับเรื่องอดีตบทย่อยชัดพอทําได้แต่เมื่อวานในยมเบนไม่ผ่านเมื่อวานนี้นะไปนั่งที่ไหนก็ชักจะ ขอตกที่นั่นแหละบาะวันมีงานด้วยเนาะไปไปมาไม่ได้ทําต่อเนื่องแต่วันนี้คงไม่มีงานรบกวนก็คงจะได้ตั้งใจทํามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเราจะต้องทําเรื่องพื้นพื้นธรรมดานีให้มันชัดเสียก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องธรรมดาพื้นพื้นไม่ชัดเรื่องใหญ่ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันผิดไปตั้งแต่ต้น ถ้ายังปรับแล้วปรับอีกนั่นเวลาทําความเพียรโอ้ทํานานไม่ไหวหลวพก็ก็คุณไม่ปรับอ่ะมันก็ต้องไม่ไหวดิถ้าคุณปรับเรื่อยๆมันจะไม่มีปัญหาทําไปวันละสิชั่วโมงยี่ชั่วโมงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ปรับแค่สมชั่วโมงแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมถ้าปรับแก้ให้ถูกต้องปรับมันไม่สบายก็ปรับให้มันสบายอย่าสบายแล้วอย่าสบายเกินไปก็อย่าไปเสพแล้วสบายเกินไปเราก็ต้องปรับแก้ให้มันไม่สบายขึ้นมาบ้าง นะก็ปรับกันไปปรับกันมาเพื่อสมดุลทั้งสองส่วนพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ละความสุดโต่งทั้งสองข้างกามฉันทะคือกามาสุขันิการุโยกอัตากริมาทานุโยกคือฝ่ายในส่วนที่เป็นฝ่ายปฏิฆะฝ่ายพยาปารทะมันเกิดอัดอเบียดเบียนตัวเองตัวนั้นก็ปรับปรับแก้มาเป็นมนชิมาปฏิปทานะเพราะนั้นในส่วนเนียละนันท ด้านที่คือละกามชันทะจะไม่ให้มันเป็นกา玛สุขัลิกานุโยกให้เป็นมัชฌิมาปฏิบัติให้ปรับทั้งสบายไม่สบายให้มันสมดุลกันอย่าสบายเกินไปและอย่าไม่สบายเกินไปปรับให้มันเบาโปร่งให้เวทนามันเบาบางนะซึ่งได้กล่าวไวปบ่อยในโพธิราชกุมารสูตรข้อที่สมอย่าให้มีอาพาธน้อยเวทนาเบาบางมันถึงจะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อกันนะนั่งกันให้มันทะลุเลยนะนั่งให้มัน ถึงไหนถึงกันเจ็บปวดเท่าไรก็นั่นไงมันทะลุกันไปข้างหนึ่งมันก็ร่างกายมันก็ตายลูกเดียวแต่ทะลุกัทะลุว่ะแต่ว่าผลมิบาตที่มันตกต่อร่างกายของเรานทําให้เราเป็นก้าวร้าวรุนแรงชุนเชียวโมหูปฏิฆาอะไรลึกๆมันฝังอยู่ข้างในดังนั้นต้องต้องต้องวิจัยเรื่องนี้ให้ดีถ้าได้สติที่เป็นสมาสติแล้วธรรมวิจัยมันมาเองแต่มันเกิดการวิจัยวิจัยก็ไม่ใช่เป็นึกไปคิดแต่ รู้ศึกษาสิ่งที่กำลังปรากฏขณะปัจจุบันอะไรขณะที่ปรากฏปัจจุบันอะไรปรากฏเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปตามรู้เรื่องนั้นให้ตลอดสายให้ครบวงจรถ้าเราใส่ใจจริงๆเพราะนัเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่ามันไม่ง่ายถ้าหากว่าเราจะเอาจริงๆนะถ้าเลยทาไปเผลอๆมันมีปัญหาหรอกอยู่ได้สบายนะ แต่ว่าจะเข้าไปสัมผัสมรรคผลอย่างเห็นรูเห็นทางเห็นที่ไปที่มายากเพราะเราไม่ได้ตามดูตลอดเวลาเพราะนั้นต้องตามดูมันตลอดเวลาความสบายไม่สบายแค่สองตัวเนี่ยไม่ต้องไปว่าสบายใจไม่สบายใจยังลึกไปเอาแค่สบายกายไม่สบายกายซะก่อนเพราะอะไรเพราะมันตื้นเห็นชัดสัมผัสได้ตลอดเวลาทุกคนสัมผัสได้แต่เราจะใส่ใจเห็ น, เ ห, นเห็นการเปลี่ยนแปลงของมัน ระหว่างสองสภาวะตลอดเวลาไหมเพราะนั้นบทเรียนวันนี้นะเอาไปศึกษากันลงลึกแค่สองตัวนะเรื่องเพลอเรื่องเพลินเพราะมันเป็นตัวยาปากคอกที่เราพูดกันทุกวันนะนะรู้เรื่องหลงนั่นแหละนะนะนั้นก็เช้าวันนี้ให้นะที่เรานำเสนอตอนเช้าว่าความม่วงเกิดมาจากความรู้สึกสบายใช่ไหม ความรู้สึกสบายแล้วก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้สังเกตได้ศึกษาว่าเอ้ยความสบายนี่มันมันจะอยู่อย่างนี้ได้นานแค่ไหนนะคอยสังเกตมันนี่ลักษณะของการศึกษาแต่ว่าพอรู้สึกสบายแล้วก็ไม่สนใจมันก็ไปเรื่อยๆแล้วทักปั๊บหนึ่งมันมาแล้วเพราะมันหมดช่วงของมันพอความง่วงไอค้ความความที่ความสบายนี่นะ มันได้ที่ปั๊บก็เข้าไปสู่ความง่วงตัวเพลินโดยสบายเนี่ยมันก็จะเขไปสู่ความง่วงแต่ถ้าเราไม่ติดตามดูมันอย่างใกล้ชิดนะก็จะไม่เห็นว่าไอ้ความเพลินทําให้เกิดความง่วงได้อย่างไรตามทั้งหมดแต่ไม่ได้ตามด้วยความไม่แยบคายเท่าไหร่อันน่ะไม่แยบคายได้อีกอันหนึ่งความคิดมาบ่อยไหมไม่บ่อยทันไหมทันบ้างไหมไม่ทันไม่ทัน แต่ความจริงถ้าเอาใจใส่ด้วยสมมุติเราเราลุกใช่ไหมใส่ใจในการลุนั่งลงไปใหม่ลุกฟั่งมันก็เปลี่ยนขนาดเป็นเบา อ, อ๋อไม่ต้องต้องดูตามลำดับอย่าลุกไว้ดิตัวช้าๆดิต้องเห็นตามลำดับช้าแตบบ่ภาพชโลมชั่นน่ะอันนี้คือการศึกษานี่ยคื อ, คอตั้งใจหน่อยคือศึกษาเพื่อการตั้งใจศึกษาล่ะแล้วก็ทดสอบบ่อยๆ ที่เราเดินกลับไปกลับมาเดินรอบที่หนึ่งมารู้สึกอย่างนี้อ่ะสังเกตรอบที่สองรู้สึกอย่างนี้สังเกตได้เราเริ่อนต้องร้อยรอบพันรอบไปยกมือเหมือนกันใช่ไหมยกมือครั้งที่หนึ่งรู้สึกอย่างนี้ครั้งที่สองช้าเร็วไปที่ยกแป๊บๆๆเลยที่ไม่สังเกตไม่รู้สึกอะไรเนี่ยที่เราทําด้วยความเพลินแล้ะยกแต่ละครั้งอ่ะมันยกครั้งนี้มันหนักแค่นี้ยกครั้งเอาไปหนักมันเดิมไหมแ้วหลายครั้งอัตราของการหนัก การหน่วงมันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามันไม่เพิ่มขึ้นเลยอนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ทําซ้ําบ่อยๆเพื่อจะเห็นกระบวนการขั้นตอนของมันที่มันเกิดขึ้นว่าเออมันทําให้ทุกที่ว่ามื่กี้ตอนแรกที่มายกไปสบายๆใช่ไหมเดี๋ยวพอเริ่มยกพอเริ่มไม่สบายแล้วแล้วความันสบายนี่ไปถึงจุดไหนจุดที่มันเผลอละเพราะความสบายไม่สบายทําให้เกิดการเผลอนะ เพราะเราไม่ติดตามดูอย่างใกล้ชิดมันจะเพลอแต่ความสบายก็ให้เกิดความง่วงแวบหนึ่งอันนี้เป็นสูตรของมันเลยนะสูตรสูตรตามเนี่ยถ้าเราตามสังเกตเนี่ยถึงแม้ว่าได้ข้อสรุปชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้แต่นั้นเป็นข้อสรุปของคนที่เขารู้แล้วนะสมมุติว่าเขาบอกหนึ่งบวกแปดลบสามคูณด้วยสองแล้วบวกด้วยหกแล้วก็คูณด้วยสิบสองอะไรพวกเนี้ยเขาบอกได้คําตอบแค่นี้เราก็ได้คําตอบกับเขาแต่เรายังไม่ได้ รู้ว่าคำตอบมันถูกหรือมันผิดใช่ไหมมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้วิธีการของเราก็คือเราจะต้องไปทําตามสูตรนั่นใหม่คุณคนนั้นเขาได้คาตอบแบบนั้นอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบของเราแต่ว่าทางโลกนั้นทางวัตถุหมายความว่าคําตอบออกมามันตายตัวเท่านั้นก็คือท่านแต่ทางนำมาทำไม่ใช่นะคุณได้คําตอบนี้แต่เวลาคุณไปทำน้องคำตอบมบบคนละแบบก็มีเขาบอกว่าความรู้สึกเพลินเนี่ย สำหรับคนนี้เขาบอกว่ามันจะได้ไปสู่การง่วงเวลาผมทำแล้วเพลินมันไม่เห็นมันง่วงเลยนะมันได้คําคตอบอีกแบบหนึ่งนะเขาบอกว่าเผลอเนี่ยมันจะทําให้สู่การคิดฟุง้งซ่านเอ้ผมพยายามนะเผลอมันก็ผมก็ไม่คิดนะมันอาจจะได้คําตอบไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันที่ให้ศึกษาเรื่องนี้นะเราจะไม่สรุปตามคําตอบคนอื่นที่เขาบอกมาว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่สําหรับเรามันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายนะที่ให้ดูเรื่องเผลอเรื่องเพลินเนี่ย ให้ศึกษาตามตามความอ ะ, อะไรละ่ะความสามารถของเราอะนะแต่ยมสรุปมาแล้วว่ามันมันเกิดแล้วแล้วไปมันก็ผมก็ทำทำไปก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วกับมันเอ๊ะทำไมน้ำเผลอกับเผลอไอ้ตรงนั้นแหละมันคาบอกมาไม่รู้มันมาได้ไงของเผลอของเพลินเพราะว่าเราไม่ใส่ใจตั้งแต่แรกนั่นแหละมันถึงมาจากตัวนั้นสาเหตุมันมนะเข้าใจนะ ไม่ไแต่ละรอบได้สังเกตันเหมือนกันไหมเวลาเดินแต่รอบมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมหนักเบาไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพื่อค่อยสรุปเรื่องได้เห็นทุกข้าวไม่เห็นทุกข้าว เ, นนอเออเอเอนั <laughs> อ่นแหละนั่นแหละเพราะี้ก็สลับกันเผอบ้างรู้บ้างเออบ้างรู้บ้างสลับกันไปสลับกันมาแต่อันนั้นคือได้เห็นความเป็นปกติของมันเราจะได้ไม่แปลกใจว่าเออเนี่ย มันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเผอมากนานไม่ได้นะใช่ไหมมันคิดไปหลายเรื่องอนี้ถ้าหากว่าปล่อยให้ง่วงนานก็ไม่ได้มันจะไปะลึกเลยเงินเดือนไปไกลเงินเดือนอันนี้คือข้อสังเกตโอเคนะโอเคเอาต่อไปคุณมนว่าวันนี้ได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นไงบ้างได้ข้อสรุปว่างไง